วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส1อกรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 5าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดกันเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาสร้างความสุข ให้แก่จิตใจของตนมาเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรในโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันความสุขชนิดหนึ่งเรียกว่าสุขปลอมชนิดที่สองเรียกว่าสุขจริงหรือสุขแท้ อะไรคือความสุขปลอมอะไรคือความสุขแท้ความสุขปลอมก็คือความสุขทางร่างกายความสุขที่หาผ่านทางร่างกายเช่นความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะชนิดต่างๆความสุขที่ได้จาก การมีทรัพย์มีสมบัติมีเข้าของเงินทองมียศมีตำแหน่งมีการสรรเสริญเยือนยอที่เรียกว่าโลกธรรมได้แก่นาบยศสรรเสริญสุขความสุขแบบนี้เรียกว่าเป็นความสุขปลอมเพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวร ได้มาแล้วก็จะต้องหมดไปไม่ช้าก็เร็วเมื่อความสุขที่ได้มาจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆได้หมดไปความทุกข์ความเศร้าก็จะเข้ามาแทนที่จึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป พูดแล้วตามหลักธรรมะท่านเรียกว่าเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขส่วนความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขใจความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจอันนี้จะเป็นความสุขที่ที่แท้จริงเพราะว่าจะเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ถาวรถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปแล้วความสุขที่แท้จริงนี้ก็จะอยู่คู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือความสุขสองแบบด้วยกันที่เราหากันอยู่ในโลกนี้ คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะรู้เพียงแต่ความสุขทางกายความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายความสุขที่ได้จากการได้ราบยศสารเสริญมาเสกแต่ไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่คลุกเขาไปด้วยความทุกข์ต่างๆทุกข์ด้วยความกังวลทุกข์ด้วยความวิตกขวมใหญ่เ ร, เ, เรามีความสุขกับสิ่งใดกับบุคคลใดเรามักจะวิตกกังวลกับสิ่งนั้นกับบุคคล น, นั้นวิตกกังวลว่าเขาจะอยู่กับเราไปได้ตลอดหรือเปล่า หรือเขาจะมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ต้องมีการพัดท่าจากกันขณะที่ยังไม่จากกันก็มีความทุกข์ใจไว้ตรงหน้าแนละ้วทุกเพราะว่าในใจเรารู้ว่ า, าความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนความสุขที่ไม่สามารถ ที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดนั่นเอง <c oughs> นี่คือความสุขปรอมคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวมีการเจริญราวก็มีการเสื่อมราบไปเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศไปเป็นธรรมดา มีสรรเสริญก็มีนินทานตามมามีสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสกฎทะพระก็มีความทุกข์ตามมามนี่แหละคือความสุขปลอมพูดแล้วความจริงมันเป็นความทุกข์แท้มากกว่าที่ทุกคนทุกคนในที่คนเราทุกคนในโลกนี้มีการ ม, มีความทุกข์กันก็ทุกจากการไปหาความสุขปลอมเหล่านี้เอง เพราะว่าไม่ได้มีปัญญาไม่มีใครสั่งใครสอนให้รู้ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรไม่แน่นอนเป็นความสุขที่จะมีวันสิ้นสุดลงได้ทุกเวลานาทีถ้าไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาก็จะต้องอยู่กับความทุกข์เหล่านี้ไปจนวันตาย แล้วความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ก็สิ้นสุดลงเวลาที่ร่างกายตายไปไม่สามารถนำเอาความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปกับใจได้ต่อไปใจก็จะไปแบบไม่มีความสุขติดตัวไปในทางตรงกันข้ามถ้าได้มีโอกาสได้มาศึกษา ได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้เรียนรู้ถึงวิธีสร้างความสุขอีกวิธีหนึ่งคือสร้างความสุขทางจิตใจความสุขทางใจนี้อยู่คู่กับใจไปและจะอยู่ไปตลอดในเบื้องต้นความสุขในเบื้องต้นก็ยังเป็นความสุขที่ชั่วคราวอยู่ แอย่างน้อยก็อยู่คู่กับใจไปนานกว่าอยู่กับร่างกายหนังกากร่างกายตายไปแล้วความสุขใจที่ได้สร้างเอาไว้ก็ยังมีติดไปกับใจได้อยู่แต่ก็ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจงเหมือนกันคือยังมีการสิ้นสุดมีการหมดได้ยกเว้นความสุขระดับที่สูงสุด เท่ี่เรียกว่าความสุขของโลกุตตะรมความสุขทางใจนี้มีแบ่งไว้สองระดับด้วยกันความสุขระดับโลกิยะกับความสุขระดับโลกุตตะถ้าเป็นความสุขระดับโลกิยะนี้ก็เป็นความสุขที่ยังจะมีวันเสื่อมมีวันหมดไปแต่ถ้าได้เข้าถึงความสุขระดับโลกุตตะก็จะเป็นความสุขที่ จะไม่มีวันหมดจะอยู่คู่กับใจไปตลอดเป้าหมายของการหาความสุขก็ต้องมุ่งไปที่ความสุขระดับโลกุตตะละความสุขที่จะไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปเช่นความสุขของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย น, นับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์ความสุขที่พระอริยะบุคคลได้สร้างขึ้น ได้มีไว้ในใจนี้จะอยู่คู่กับใจไปตลอดความสุกระดับของพระโสดาบันก็จะอยู่กับพระโสดาบันไปถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปแต่ใจที่เป็นโสดาบันนี้ก็จะมีความสุกระดับโสดาบันติดไปตลอดทุกภพทุกชาติไม่มีไม่มีวันเสื่อมลงมีแต่จะมีวันเพิ่มขึ้นถ้าปฏิบัติต่ตอไป เ พ, เพื่อยกระดับเจตให้ขึ้นสู่ระดับอริยะที่สูงขึ้นต่อไปคือระดับสกิดาคามีระดับอนาคามีและระดับอาราหันต์พอไปถึงขั้นอาราหันต์แล้วก็ถึงขั้นสูงสุดไม่ต้องสวงไม่ต้องสร้างความสุขในใจอีกต่อไปเพราะว่าเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมไปในหัวใจ ไม่สามารถที่จะเพิ่มความสุขให้มีมากไปกว่านั้นได้ที่เรียกว่าเป็นความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นบรมณ์สุขนี่นี่แหละคือความสุขที่ทางศาสนาสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าหากันเพราะเป็นความสุขที่ ปลาสกกความทุกข์ต่างๆถ้าเปียกเป็นอาหารถ้าเป็นปลาก็เป็นปลาที่ไม่มีก้างกินปลาที่ไม่มีก้างนี้สบายกว่ากินปลาที่มีก้างปลาที่มีก้างถ้าไม่มีสติเผลอๆก็จะถูกก้างตาปากเขาได้ตาปากตามลิ้นได้ความสุขทางโลกเป็นเหมือนปลาที่ไม่มีก้าง หรือเปลี่ยนเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลเป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้สัมผัสมาใหม่ๆก็มีความสุขดีแล้วพอไม่นานความสุขก็จะเริ่มมีความทุกข์เข้ามาคุกเ ข, าข่าคะเข่าด้วยเวลาเราได้อะไรมาที่ให้ความสุขกับเราไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆ เราก็จะรักจะห่วงเราก็จะกังวลเพราะสิ่งใดที่เรารักเราห่วงเราก็ไม่อยากให้เขาจากเราไปไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไปไม่อยากให้เขาเสียไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถรักษาให้เขาอยู่กับเราแบบเหมือนตอนที่เราได้เขามาใหม่ๆหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็นไปไม่ได้กัน เพาทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นความสิ่งเป็นสิ่งที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปตามการตามเวลานั่นเองจะเสื่อมไปเร็วหรือช้านั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสิ่งมีอัตราความเสื่อมไม่เท่ากันบางอย่างก็เสื่อมเร็วบางอย่างก็เสื่อมช้าพอเกิดการเสื่อมขึ้นมา ก็เกิดความเศร้าใจเสียใจขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เสื่อมไปนั้นไม่สามารถให้ความสุขได้แล้วนั่นเองเช่นได้เงินได้ทองมาเราก็มีความสุขดีใจกันพอเงินทองหมดเราก็เสียใจทุกข์ใจกันเพราะว่าถ้าเราใช้เงินแล้วเราก็จะติดกับการใช้เงิน พอวันไหนไม่ได้ใช้เงินขึ้นมาเราก็จะรู้สึกเสียใจหงุดหงิดลาคาญใจเ mm hmm. ช่นเดียวกับการได้ยศได้ตำแหน่งเวลาเราได้ยศได้ตำแหน่งเราก็ดีอกดีใจเวลาที่เราถูกถอดยศถูกถอดตำแหน่งเราก็จะเกิดความเสียใจขึ้นมาเช่นเดียวกับเวลาที่เราได้ยินคำสารเสรเินเยินยอยกย่อง ว่าเราดีอย่างนั้นเราเก่งอย่างนี้เราก็ดี อ, อกดีใจกันแล้วพอวันดีคืนดีแทนที่จะสรรเสริญเยินยอก็กลับตำหนิตีเตียนว่ากล่าวต่างๆนานาความสุขที่ได้จากสรรเสริญก็หายไปความสุขความทุกข์ที่ได้จากการทำถูกตำหนิตีเตียนข้อหานินทาก็<ป>ทําให้ เกิดความเศร้าใจเกิดความเสียใจขึ้นมาเนี่ยถ้าตราบใดเรายังแสวงหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆเราจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนเราจะต้องทุกข์ใจอย่างแน่นอนเป็นจากจะทุกข์เร็วทุกข์ช้าเสียใจเร็วหรือเสียใจช้าเนะท่านั้นเองเราจะเสียมากเสียน้อยด้วยขึ้นอยู่กับ ความหลงของเราถ้าเราหลงมากก็จะเสียใจมากคำว่าหลงมากก็คือไม่เคยคิดว่าเขาจะเสื่อมไม่เคยคิดว่าเขาจะจากเราไปไม่เคยคิดว่าเขาจะเปลี่ยนไปอันนี้เวลาเขาเปลี่ยนไปนี้จะเสียใจมากจะทุกข์ใจมากแต่ถ้ามีความหลงน้อยมีปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าของเหล่านี้ต้องมีวันเสื่อมไป ไม่ช้าก็เร็วอันนี้ก็พอคอยเตรียมใจรับกับความเสือ่อมเวลาเกิดความเสื่อมขึ้นมาใจก็ยังจะไม่รู้สึกเสียใจมากแต่ก็ยังอดเสียใจไม่ได้ถ้าตราบใดเรายังมีความยินดีกับสิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าตราบใดเรายังอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับเราอยู่เราก็จะต้องมีวันเสียใจถึงแม้เราจะรู้ แต่เรายังห้ามใจของเราไม่ได้ห้ามใจของเราไม่ให้ไปยินดีกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏะชนิดต่างๆได้แต่ถ้าเราได้มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมเราจะสามารถลดความยินดีและตัดความยินดีในความสุขปลอมนี้ได้หมดเลยเพราะเราจะได้มีความสุขจริงมาแทนที่นั่นเอง ความสุขจริงนี้เวลาปฏิบัติก็แบ่งไว้เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันขั้นตอนนี้แบ่งไว้สามขั้นตอนใหญ่ๆเรียกว่าทานศีลภาวนานี่เป็นวิธีสร้างความสุขใจความสุขที่จะอยู่กับใจไปและเป็นความสุขที่จะไม่ให้มีความทุกข์ความกงังวลความวิตกห่วงใหญ่แต่อย่างใดขั้นแรกนี้ ถ้าเนี่ยเราทำทานเพราะว่าเพื่อเราจะได้ยุติการใช้เงินทองไปซื้อความสุขทางร่างกายกันนั่นเองทุกวันนี้เราหาความสุขทางร่างกายเราก็ต้องอาศัยมีเงินทองกันจะไปเที่ยวแล้วก็ต้องมีเงินจะไปกินไปดื่มตามร้านอาหารต่างๆก็ต้องมีเงินทองจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ซื้อกระเป๋าซื้อรองเทาง้าซื้อเสื้อผ้าซื้อจูเกอรี่ซื้ออะไรเครื่องประดับประดาอะไรต่างเพื่อไปเสริมความงามต่างๆด้วยการทําสัญญกรรมด้วยการย้อมผมย้อมเผ้าทําทเผ้าทําทผมหรืออะไรการกระทําเหล่านี้ล้วนจะต้องใช้เงินทองเท่านั้นแล้ว ความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ก็ได้ขณะชั่วที่ใช้เงินท่านทองพอซื้อมาก็ดีใจซื้อกระเป๋ามาใหม่ก็ดีใจซื้อลองเท้าใหม่ซื้ออะไรใหม่มาดีใจเพียงแค่วันสองวันแล้วก็เก็บไว้ในตู้แล้วที่ไม่ได้ใช้ต่อไปแต่เวลาเห็นแล้วมันอดไม่ได้มันคันไม้คันมือไปหมดยันในกระเป๋ามันร้อนขึ้นมาเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วมันจะทาให้ไม่สบายใจกัน ก็เลยต้องควักออกมาซื้อของต่างๆซื้อแล้วบางทีอากลับไปบ้านก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนเพราะของมันเต็มบ้านไปหมดคนบางคนมีแต่ซื้อเห็นอะไรก็ซื้อซื้อเพราะถือว่ามีเงินมีทองเวลาซื้อก็เกิดความสุขเวลาไม่ได้ซื้อก็หงุดหงิดลาคาญใจกลายเป็นคนติดเป็นโรคติดยาเสพติดก็ เ, เรียกว่าช็อปโกฮอลิก แอลกอฮอลลยก็ติดชนะ้อปปิ้งถ้าแอลกอฮอล์ลก็ติดการดื่มติดการดื่มแอลกอฮอล์ถ้าดรักแอดดิกก็ติดยาเสพติดชนิดต่างๆพวกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นอ่นะเพราะว่าเมื่อได้เสพแล้วมันจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้เสพไม่ได้กระทำนี่มันจะงุดหิตมันจะมีความไม่สุขนะมันจะราคาญใจนะ มันต้องไประบายความหดหู่น้ำคาญใจด้วยการไปซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าเราควรจะเลิกอย่าใช้เงินซื้อความสุขแบบนี้ซึ่งเป็นเหมือนยาเสพติดซื้อแล้วจะติดแล้วเวลาไม่มีเงินซื้อก็จะทุกข์ให้เปลี่ยนมาเอาเงินมาซื้อซื้อบุญดีกว่าซื้อบุญคือความสุขใจอิ่มใจ ซึ่งเป็นเหมือนอาหารของใจซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนี่เป็นเหมือนซื้อยาเสพติดมาให้ใจเสพถ้าซื้อบุญด้วยการทำทานด้วยเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปบริจาคให้กับผู้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือเวลาเราได้บริจาคเงินทองของเรา ให้กับผู้ที่ลกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้กับสถาบันหรือ อ, อะไรเขาเรียก Organization ที่ทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นสภาการชาติไทยมูลนิธิอะไรต่างๆที่ช่วยช่วยผู้คนที่เขาเดือดร้อนในสังคมให้ได้รับการสงเคราะห์ ให้ได้รับการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนต่างๆเช่นมูลนิธิต่างๆมูลนิธิร่วมกันอยูพอปรเทคติงหรืออะไรเหล่านี้เวลาเราได้ใช้เงินทองให้กับสถาบันเหล่านี้มันทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่เราได้ซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าใหม่หรือได้ไปเที่ยวได้ไปกินไปดื่มต่างตรงที่ว่า ความสุขความอิ่มใจนั้นมันอยู่กับใจต่อไปนานกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปกินไปดืม่มแล้วมันจะทำให้เราเริ่มลดความอยากที่จะไปเที่ยวไปกินไปดืม่มลงได้เพราะใจเราไม่หิวแล้วใจเรามีอาหารคือบุญที่เกิดจากการทำทานรอเลี้ยงจิตใจของเรา ถึงแม้บางทีเราทำไปนานแล้วเดือนสองเดือนแล้วเวลาเรานึกถึงบุญที่เราได้ทำไว้มันก็ยังทำให้เราเกิดความอิ่มเอิใจเกิดความสุขใจแล้วก็เกิดความภูมิใจในตัวเราเองว่าตัวเรานี่มีคุณค่านะมีประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้นี่อันนี้แหละคือความหมายของการทาทานทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่ม ความอิ่ของจิตใจนี่แหละจะยกระดับจิตใจจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆนี่อันนี้คือการทําบุญทําทานเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับใจการให้บ่อยจากนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินทองอย่างเดียวของที่เรามีของที่ใช้แล้วแต่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้ในบ้านโลกลุงลังเกะกะ ก็เอาไปบริจาคได้เสื้อผ้าที่เต็มตู้ล้นตู้รองเท้าที่มีไม่รู้กี่สิบคู่กระเป๋าไม่รู้มีอยู่กี่สิบใบของอะไรต่างๆที่เราไม่ได้ใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้มันภายในระยะหเดือนนี่ก็ถือว่าเราไม่ได้ใช้มันแล้วแหละไม่ต้องไปเก็บไว้ให้มันเป็นภาระรกลุงลังบ้านต่อไปเราก็ต้องมาคอยเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์ เวลจะไปไหนทีก็กังวลว่าจะขโมยจะขึ้นบ้านหรือเปล่าเอาไปแจกก็ไปจ่ายหลือเอไปขายราคาถูกๆหรือเอาไปขายแล้วเอาเงินที่ได้จากการขายของเหล่านี้ไปบริจาคให้กับสถานที่ทำคุณประโยชน์ต่างๆจะเป็นโรงเรียนก็ได้เป็นโรงพยาบาลก็ได้เป็นวัดก็ได้หรือจะเอาไปถ่ายชีวิตของสัตว์ก็ได้ถ่ายชีวิตโควัวควาย ขายชีวิตปลานกปล่อยปลาปล่อยนกหรือถ้าเห็นมีเด็กมีสัตว์จรจัดมีคนเข้าเลี้ยงดูแต่ขาดความช่วยเหลืออุปการละเราก็ไปสนับสนุนการกระทเอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานทำแล้วจะให้เรามีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อของฟุ่มเฟือย แล้วเราจะเริ่มกลายเป็นคนส ม, มถะขึ้นมาเมื่อก่อนนี้เราจะต้องใช้ของแบรนด์เนมแตตอนหลังพอเราได้มีความสุขจากการไปทำบุญทาทานแล้วเรื่องความสุขจากการใช้ของแบรนด์เนมนี้มันจะไม่มีความสาคัญเลยกระเป๋านี้ไปซื้อกระเป๋าตามตลาดนัดก็ได้กระเป๋ามันก็มีไว้ใส่ของใช่จะเป็นแบรนด์เนมหรือไม่เป็นแบรนด์เนมมันก็ทาหน้าที่ได้เหมือนกันเสื้อผ้าที่เราใส่ มันจะแบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมมันก็เป็นเสื้อผ้าไว้สำหรับปกปิดอวัยวะของร่างกายเราทนนันเองปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้ถูกภัยจากแรงสัตว์กัดต่อยหรือจากอากาศหนาวเย็นมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันไม่เห็นจำเป็นว่าจะต้องเป็นของแบรนด์เนงเลยของแบรนด์เนมราคาแพงกว่าสิบเท่ายี่สิบเท่าแต่ทาคุณประโยชน์เหมือนกัน รถคันหนึ่งราคายี่สิบล้านกับรถคันหนึ่งหนึ่งล้านมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเนี่ยขับมาวัดได้เหมือนกันขับไปตลาดไปซื้อกับข้าวกับปลาก็ได้เหมือนกันไม่เห็นจําเป็นจะต้องขับรถราคายี่สิบล้านไปไปจ่ายกับข้าวเอาเงินไปทําคุณประโยชน์ดีวกว่าแล้วมีรถยี่สิบล้านไม่ใช่จะมีความสุขนะไหนจะต้องหาที่เก็บให้มันไหยจะต้องเสียค่าประกันอีกแล้วถ้าเกิด เวลาไปจอดที่ไหนถูกคนเขาแกล้งเอาอะไรมาเอาอะไรมาขีดสีรถหน่อยเท่านั้นก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานะนี่เป็นการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวต้องคอยคอยคอยดูแลรักษาสมบัติอันมีค่ากลายเป็นยามเป็นรอพอไปโดยไม่รู้สึกตัวซื้อเพชรซื้อทองซื้ออะไรมา มาสวมใส่ก็กลายเป็นเป้าของมิจฉาชีพดีไม่ดีก็จะถูกป้นถูกจี้ถูกทำร้ายร่างกายนี่คือโทษของการหาความสุขจากการใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบที่แบบที่ไม่จำเป็นเอาเงินส่วนก น, นี้ที่เราจะซื้อของที่ไม่จำเป็นเหล่านี้เอาไปทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมดีกว่า ซึ่งเราเลือกได้อันนี้ไม่มีการบังคับเราชอบแบบไหนเหมือนกับอาหารเนี่ยเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราเลือกอาหารชนิดที่เราชอบกันเราเวลากินอาหารที่เราชอบแล้วมันมีความประทับใจมีความสุขใจแต่มันได้ความอิ่มเหมือนกันรับประทานอาหารที่เราไม่ชอบมันก็อิ่มเหมือนกันแต่มันไม่ประทับใจการทำบุญก็แบบเดียวกันการทาบุญทาทานบางทีเราก็รู้สึกประทับใจ ถ้าเราทำในสิ่งที่เราถูกถูกใจเราถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจแต่บางทีต้องต้องทำเพราะอาจจะมีการเลียยายขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆเราก็อาจจะต้องทำไปแต่ทำแล้วเราอาจจะไม่รู้สึกประทับใจเหมือนกับทาในสิ่งที่เราชอบทากันดังนั้นการทาบุญทำทานของแต่ละบุคคลจึงไม่เหมือนกันมีการวิธีทาทานหลากหลายด้วยกัน ทำกับสถาบันต่างๆทำกับวัดทำกับโรงเรียนทำกับโรงพยาบาลทำกับมูลนิธิต่างๆทำกับผู้เดือดร้อนคนแก่คนชราคนพิการอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นความพอใจความที่ของแต่ละคนจะเลือกทำกันทำแล้วก็ได้ความอิ่มใจเหมือนกันได้ความสุขใจเท่ากันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ประทับใจ ไม่อาจจะไม่รู้สึกขนลุกซาเวลาทำทาบุญบางอย่างนี่ทำแล้วรู้สึกมีความประทับใจบางทีน้ำตาไหลก็มีมันเกิดความขนลุกขึ้นมาก็มีอันนี้เป็นเป็นผลพลอยได้จากการเลือกทำบุญชนิดที่เราชอบแต่สิ่งที่เราได้ก็คือจิตใจเราจะอิ่มจิตใจเราจะมีความสุขระดับของเทพเนี่อนนี้ใจเราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ได้ทาบุญทาทาน แต่พอเราได้เริ่มทาบุญทำทาง น, นี้เราจะยกระดับความสุขของใจเราจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพแล้วถ้าทำมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะขึ้นไปสู่ระดับสูงขึ้นเทพนี้มีแบ่งไว้ถึงหระดับด้วยกันก็เปรียบเหมือนกับโรงแรมที่เขาแบ่งไว้เป็นระดับดาวห้าดาวโรงแรมดาวหนึ่งก็สู้บริการของโรงแรมสองดาวไม่ได้ สองดาวก็สู้3ามดาวไม่ได้สามดาวก็สู้สีดาวห้าดาวไม่ได้เช่นเดียวกับความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานของเรายิ่งทำมากเราก็จะได้เลื่อนระดับความสุขของเราให้สูงขึ้นอยากขั้นที่1ก็ไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สองก็สู่ขั้นที่3มที่4ี่ที่ห้าไปตามลาดับอันนี้เป็นการสร้างความสุขในระดับ จากที่ได้จากการทำบุญทำทานส่วนความสุขที่เราต้องสร้างอีกอย่างหนึ่งก็คือการรักษาศีลการไม่ไปทำบาปเพราะว่าการทำบาปนี้จะเลื่อนระดับความสุขให้ลดลงจากมนุษย์เราก็จะเลื่อนลงสู่ระดับอบายสู่ระดับเดรัจฉานสู่ระดับเปรตสู่ระดับอสุรกายสู่ระดับน ร, รก ความสุขก็จะน้อยลงไปความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราทำบาปดังนั้นถ้าเรายังอยากจะรักษาระดับของความเป็นมนุษย์อยู่ความสุขของความเป็นมนุษย์อยู่เราก็ต้องไม่ทำบาปถ้าเราไม่ไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดโอเวณีไม่พูดปดไม่เดือดร้อนยาเมาเราก็จะมีความสุขระดับของมนุษย์ แต่ถ้าเราอยากจะมีความสุขมากกว่าการเป็นมนุษย์ของมนุษย์เราก็ทําบุญทำทานกันเราก็จะยกระดับขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นคือระดับของเทพและเวลาร่างกายนี้ตายไปความสุขเหล่านี้ไม่หมดไปกับร่างกายไม่เหมือนกับความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายเช่นความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภพชนิดต่าง ความสุขเหล่า น, นี้พอร่างกายตายไปหายไปหมดเลยไม่มีอะไรติดไปกับใจแม้แต่หยดเดียวเพราะเราไม่ได้สร้างความสุขทางใจไว้นั่นเองแต่ถ้าเราสร้างความสุขทางใจไว้ความสุขทางใจยังไปต่อยังให้ความสุขเราได้อีกต่อถ้าเราได้ความสุกระดับเทพชั้นที่หนึ่งเราก็จะไปเป็นเทพชั้นที่หนึ่งถ้าเรามีระดับสร้างระดับชั้นที่สองเราก็จะไปเป็นเทพชั้นที่สอง ก็จะขึ้นก็จะไปอย่างนี้ไปไปจนกว่ากำลังบุญที่ให้ความสุขก็หมดบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินเงินที่เราใช้เวลาใช้เงินหมดเราก็ต้องเราก็ต้องไปหาเงินใหม่เช่นเดียวกับบุญที่เราได้ที่ส่งให้เราไปเกิดในสวรรค์เป็นเทพนี่ก็เหมือนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนี้เราไม่หาเงินใช่ไหมมีแต่ใช้เงิน งินที่เราไปใช้มันก็มีจํานวนจํากัดเดี๋ยวมันก็หมดพอหมดแล้วเราจะทํำยังไงเราก็ต้องกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านมาหาเงินใหม่อันนี้ก็เหมือนกันพอพอไปเป็นเท พ, พอบุญที่ส่งให้เป็นเทหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นัเองกลับมาสร้างบุญใหม่กลับมาทําบุญใหม่พบของมนุษย์นี้เป็นพบที่สร้างบุญสร้างบาปแต่เราจะไม่สร้างบาปกัน พอเรารู้ว่าการส ร, าสร้างบาปนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเราต้องการความสุขเราก็จะสร้างแต่บุญเพีออยงเดียวระดับต้นระดับแรกก็ด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการเสียสละแบ่งปันนอกจากเงินทองข้าวของแล้วเรายังสามารถทําบุญได้ด้วยการให้สิ่งอย่างอื่นเช่นให้ความรู้การให้ความรู้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่คิดเงินทอง ที่เราเป็นอาจารย์เป็นครูเรามีความรู้อาจจะสอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนแต่จะไม่เก็บค่าเราเรียนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ความรู้เรียกว่าวิทยาทานการให้วิทยาทานก็เป็นการให้อีกรูปแบบหนึ่งเพราะบางคนอาจจะไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินทองที่จะให้แต่อยากจะให้ก็สามารถให้ได้ด้วยการให้ความรู้ที่เรามีอยู่โดยที่ไม่คิดเงินทอง จะเป็นความรู้อะไรก็ได้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์วิธีทำกับข้าวก็ได้สอนให้คนเป็นเชฟทำอาหารอร่อยก็ได้ทำขนมก็ได้ตัดเย็บเสื้อผ้าก็ได้ทำาผ้าทำผมก็ได้เพื่อเขาที่จะได้เอาไปทำเป็นอาชีพเลี้ยงชีพเขาได้อันนี้ก็เป็นการทำบุญแบบได้ความสุขเหมือนกับการที่เราเสียเงินเสียทองไปหรือถ้าเรามีเวลาเรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นจิตอาสากัน ไปทำงานอาสาสมัครเราไม่มีความรู้เราไม่มีเงินทองแต่เรามีกำลังกายเราก็ไปรับเป็นอาสาสมัครช่วยงานมูลนิธิต่างๆเอ็นบางคนก็ไปช่วยงานของมูลนิธิโปเทคตึ้ง่วมกระตันยูไปช่วยกันกู้ภยัยไปช่วยกันเก็บรากศพหรืออะไรส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆนี้อันนี้ก็เป็นวิธีทําบุญอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขใจอิ่มใจไม่น้อยหน้ากับการเสียเงินเสียทองใช้เงินใช้ทองอ น, นี่คือวิธีที่เราสามารถที่จะสร้างบุญได้สร้างความสุขให้กับใจได้โดยที่เราจะไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้ถ้าเราไม่มีเงินทองอันนี้เป็นการยกระดับจิตใจไปในตัว ให้จิตสูงขึ้นกว่าระดับของมนุษย์คือความสุขของจิตจะมากกว่าความสุขของการเป็นมนุษย์แล้วเหลือความสุขที่ได้จากการทำทานก็ยังมีอีกเขาเรียกว่าความสุขที่ได้จากการชำระใจให้สะอาดทำใจให้สงบอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการภาวนาพระเจ้าสอนสามวิธีด้วยกัน วิธีแรกก็ให้ทำบุญทำทานวิธีที่สองก็ให้รักษาศีลอย่าไปทำบาปจะได้ป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามามาลบกวนมาสร้างมาทำลายจิตใจถ้าเราไม่ทำบาปแล้วความทุกข์จะไม่เข้ามาใจใจเราทุกข์มันเข้ามาเพราะเกิดจากการกระทำบาปของเราแล้วก็ไม่ทาให้จิตใจเราลงต่า ไม่ให้ลงไปต่ำกว่าการเป็นมนุษย์เวลาตายไปถ้าไม่ได้ไปเป็นเทวดาก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ต่อได้เลยไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนไม่ต้องไปเป็นเปรตไปเป็นน ส, สุลกายไปตกนรกก่อนอันนี้เป็นอนิสงส์ของการรักษาศีลห้าแต่แก็ถ้าเราอยากจะได้บุญที่สูงกว่าระดับเทพสิ่งที่เราต้องทำก็คือการภาวนา การภาวนานี่แหละที่จ ะ, ย ก, ะยกระดับความสุขให้ขึ้นสูงขึ้นสู่สองระดับด้วยกันระดับที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ก็คือการเจริญสัมมาพภาวนาหรือการเจริญสมาธิอันนี้จะสร้างความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานรักษาศีลห้าความสุข ที่ได้จากการสมรถะคือการไปปฏิบัติธรรมนี่เอการเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสมัธภาวนาหรือการนั่งสมาธินี่การที่เราจะสร้างความสุขระดับนี้ได้ซึ่งเป็นความสุขที่สูงกว่ามากกว่า ความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานรักษาศีลห้าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือต้องมีต้องการรักต้องมีการรักษาศีลแปดขึ้นไปถ้าเราเคยรักษาศีลห้าอยู่แล้วพอจะรักษาศีลแปดก็จะไม่รู้สึกยากเย็นอะไรเพราะว่ามันเป็นข้อที่ไม่ไม่ยากเย็นไม่ให้กินข้าวเย็นเท่านั้นเองไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟนแล้วก็ไม่ให้เที่ยวไม่ให หาความสุขจากแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเต้นราละครดูละครดูคอนเสิร์ตด้วยต่างๆก็จะไม่เอาแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็ไม่นอนบนเตียงสํารานเตียงที่สุขที่สบายเพราะจะนอนมากเกินไปจะทำให้เสียเวลา ที่จะเอามาใช้กับการสร้างความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนั่นเองนี่คือสิ่งที่ผู้ต้องการที่จะได้ความสุขที่สูงกว่าความสุขระดับของเทพจำเป็นที่จะต้องถือศีลแปแล้วก็ไปหาที่สงบที่สามารถปฏิบัติโดยที่ไม่มีอะไรมาลบกวนใจได้ที่เรียกว่าไปปรีกวิเวกถ้าเป็นไปได้ ถ้ายังเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะต้องทำที่บ้านไปก่อนทำที่บ้านทำวันที่เราว่างจากภารกิจการงานจะดีที่สุดถ้าเป็นวันธรรมดาวันที่เราต้องทำงานทำมาหากินอาจจะทำได้ยากเพราะถ้าเราไปทำงานกว่านจะกลับมาบ้านเราก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพอได้พักได้รับประทานอาหารได้อาบน้ำอาบถ่าแล้วเราก็อยากจะนอนการจะนั่งสมาธิก็จะเป็นไปได้ยากเราก็ต้อง หาเวลาที่มีมากกว่านี้เวลาที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการเช่นวันหยุดอย่างวันนี้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ถ้าเราสนใจเราก็สามารถเอาเวลาที่เราว่างในวันหยุดทำงานนี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิกันเพราะการปฏิบัติระดับภาวานานี้ต้องใช้เวลามากไม่ใช่เหมือนกับการทำบุญทำทานทำบุญทำทานนี้แป๊บเดียวก็เสร็จ ถ้ามีมีบัญชีโอนเข้าบัญชีป๊อปเดียวมันก็เสร็จลวไม่ถึงนาทีเนียก็ทำบุญเสร็จแล้วแต่การจะเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบนี้จาเป็นจะต้องใช้เวลามากแล้วต้องใช้ศีลแปลดช่วยสนับสนุนแล้วต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดไม่มีใครมารบกวนใจเราแต่ถ้าเราสามารถจัดการหาสิ่งเหล่านี้ให้กับ การปฏิบัติของเราได้แล้วถ้าเราได้จเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เวลานั่งสมาธิใจจะนิ่งจะเย็นจะสงบจะเกิดความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่านัตสันติบาังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มี มีความไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขเท่ากับความสงบต่อให้ได้ถูกรอตรี่รางวัลที่หนึ่งพวกนี้เหลือใครถูกรอตรี่หรือเมื่อวานนี้ที่อเมริกาเขาติดเขาถูกแจ็คพอตไปแล้วเนี่ยความสุขที่ได้นั้นมันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบของใจไม่ได้อันนี้แหละเป็นความสุขที่ที่แท้จริงเพียงแต่ว่าความสุขของระดับสมาธินี้ยังอยู่ในระดับของโลกิยะอยู่ คาว่าโลกิยาก็คือเป็นความสุขที่ยังเสื่อมได้ยังอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เราได้เวลานั่งสมาธิเราก็ได้ความสุขพอจากสมาธิมาความสุขที่ได้ก็ค่อยๆจางหายไปถ้าเราอยากจะได้มันใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ต้องกลับเข้าไปอยู่เรื่อยๆแต่กลับเข้าไปเท่าไหร่เวลาออกมามันก็จะต้องเสื่อม อันนี้เราถึงยังถือว่าอยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจังยังเป็นโลกิยะยังเป็นความสุขระดับโลกิยะอยู่แต่ก็อยู่ได้นานเป็นพันปีหมื่นปนะีเพราะว่าเวลาร่างกายนี้ตายไปจิตที่เข้าฌานได้นี้จะอยู่ในฌานอยู่ในระดับพรหมโลกเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่ากำลังของสมาธิอ่อนกำลังลงจิตก็จะถูกปิเลตันหาที่ไม่ได้ถูกทาลาย เพียงแต่ถูกกดเอาไว้มันก็จะออกกําลังผลักให้จิตเข้ามาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะดึงจิตให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อันนี้คือความสุขทางใจที่เป็นโลกิยะอยู่เป็นความสุขที่จเจริญได้เสื่มได้แต่มันอยู่นานกว่าความสุขทางกายหลายหลายร้อยเท่าด้วยกันความสุขทางกายชั่วแป๊บเดียว ไปดูหนังฟังเพลงปั๊บเดียวมันก็หมดละไปซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้ามาปั๊บเดียวมันก็หมดละแต่ความสุขที่ได้จากทางใจนี้จะอยู่ไปนานกว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วมันก็ยังอยู่กับร่างอยู่กับใจต่อไปทำให้มีความสุขระดับเทพระดับพรตามลาดับแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าความสุขระดับโลกยะนี้ไม่สามารถทาลายกิเลสตัณหาได้ กิเยสตัณหายังเป็นตัวที่จะคอยดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าอยากที่จะได้ความสุขแบบที่ไม่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ถาวรก็จาเป็นต้องปฏิบัติการภาวนาอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาหรือขั้นขั้นเจริญปัญญานี่ถ้าเจริญปัญญาได้ปัญญานี้จะเป็นผู้คอยกาจัด กิเลสตัณหาตัวที่พยายามที่จะทําลายความสุขที่ได้จากความสงบอันนี้เป็นหน้าที่ของของปัญญาของวิปัสสนาต้องพิจารณาตายรักษณ์ในในสิ่งต่างๆที่ใจที่กิเลสอยากได้กิเลสอยากได้อะไรกิเลสก็อยากจะได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย ความสุขจากลาบยศาสารเสริญความสุขจากทางร่างกายก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงลาบยศาสารเสริญก็ไม่เที่ยงรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เที่ยงตาหูตาหูจมูกลิ้งกายร่างกายก็ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับถ้าอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือหาความสุขเวลาสิ่งเหล่านี้ดับไปความสุขก็จะหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ ก็ต้องเลิกใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ต้องการความสุขจากทางร่างกายปล่อยวางร่างกายให้ได้ไม่ต้องมีร่างกายก็อยู่ได้อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบของรูปประชานของอรูปประชานดีกว่านี่คือขั้นต้นขั้นต้นต้องสละความสุขทางกายให้ได้ก่อนความสุขผู้ที่สละความสุขทางร่างกายได้ก็เป็นพระอริยบุคคลสามขั้นนั่นเอง ขั้นที่หนึ่งก็พระโสดาบันขั้นที่สองก็พระสกิรดาคาพระอนาคาทั้งสามขั้นนี้ยังอาศัยความสุขทางร่างกายอยู่แต่พอพิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่สวยไม่งามเลยร่างกายของคนเรานี่ถ้าเรามองผิวเผินก็จะดูว่าสวยงามแต่พอเรามองลึกๆเข้าไปภายใต้ผิวหนังเราก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามต่างๆ และขณะที่ตายไปก็ยิ่งไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมใหญ่ถ้าเห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกายของความสุขความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็จะตัดความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการไปหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดมาเสพหรือความความสุขที่ได้จากการเื่วมหลับนอนกับคนที่เรารักเราชอบ พระ อ, อนาคามีนี้พระเจรละความอยากเหล่านี้ได้หมดเลยแต่ท่านก็ท่านละความอยากทางความสุขทางร่างกายได้แต่ท่านก็ไปติดความสุขทางทางใจที่ได้จากความสงบเพราะท่านใช้ความสุขที่ได้จากความสงบมาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะได้เลิกหาความสุขทางร่างกายได้นั่นเอง แต่ความสุขทางสมาธินี้ก็เป็นความสุขที่ชั่วคราวเหมือนกันถ้าติดก็จะมีความทุกข์เวลาที่มันเสื่อมได้ท่านก็ต้องละความสุขที่ได้จากสมาธิอีกครั้งหนึ่งเป็นความสุขที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ความสุขของเทพก็ต้องละความสุขของมนุษย์ก็ต้องละความสุขของพรหมก็ต้องละพอละความสุขทั้งสามนี้ได้ของมนุษย์ของเทพของพรหมได้ ทีนี้ก็ได้ความสุขของพระนิพพานมาแทนที่เรียกว่านิบานังปรมังสุขขงังทันทีความสุขนี้แหละจะเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดเป็ ค, ความจริงความสุขตั้งแต่ระดับแรกคือระดับโสดาบันก็ไม่หมดและพระโสดาบันนี้จะไม่เสื่อมลงมาเป็นผู้ตุชนความสุขของพระโสดาบันจะไม่หายไปไม่ว่าจะกลับมาเกิด มาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็ยังมีความสุขระดับของพระโสดาบันอยู่พระสกิราคาพระอนาคาก็เหมือนกันความสุขที่ได้จากการละสังโยชน์ต่างๆทำใจให้สงบปล่อยวางการอาศัยการหาความสุขทางร่างกายนี้มันจะไม่หมดไปจากใจมันจะอยู่คู่กับใจไปตลอดแลวจะมีเพิ่มมากขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อละ เพื่อละการยึดการติดการอาศัยสิ่งอื่นๆมาให้ความสุขโดยในที่สุดก็จะละทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดพอละความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานละความสุขจากการเข้าสมาธิได้ละความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสละความสุขอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายได้หมดใจก็จะไปเสพความสุขของพระ น, นิพพานแทน ท, ทันที แล้วก็จะเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ถาวรเจจิตก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบุญแล้วเพื่อจะได้ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมแล้วเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเป็นมนุษย์ก็มาต้องมาทำบุญใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ก็ยังดี ดีกว่าที่กลับมาเปิดเป็นมนุษย์แล้วมาทำบาป ท, ทำกรรมถ้าทำบาป ท, ทำกรรมตายไปก็ไม่ได้ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมแต่จะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปตกนรกกันพอพ้นจากนรกก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบาปใหม่นี่คือเรื่องของโลกียะเป็นอย่างนี้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการทำบุญทำบาป ท, ที่ยังมีผลต่อการ ไปเกิดในภพต่างๆทำบุญก็จะมีผลต่อการไปเกิดในภพที่ดีภพของเทพภพของพรหมทำบาปก็จะไปเกิดในภพของอบายแต่ถ้าปฏิบัติชำระใจด้วยโนกุตระทำได้คือด้วยอริยมรรยะผลได้ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจจะเสพแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด ใจของวกเราทุกคนนี่เหมือนกันเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าของพาอาาระอรหันต์ต่างตรงที่ว่าใจของพระพุทธเจ้านี้เหมือนกับได้ไว่ายน้ําข้ามฟากไปอยู่ฝากที่เย็นนะส่วนใจของพวกเรานี้เหมือนกับยังอยู่ในฝากที่ร้อนอยู่ฟากที่มีไฟป่าลุกไหม้อยู่มีแม่น้ําขวางกัน้นความถ้าเราขยานันว่ายน้ําข้ามหนีไฟได้พอข้ามไปถึงฝั่งนู้นแล้วก็ปลอดภัย ใจไม่ได้หายไปไหนใจของพระพุทธเจ้าก็ดีใจของพวกเราก็ไม่หายร่างกายนี้ตายไปกี่ครั้งกี่รอบใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจนี้ไม่มีวันตายใจเป็นอมตะจะอยู่เพียงแต่ว่าจะอยู่ภากไหนท่านเองอยู่ภากทุกข์หรืออยู่ภากไม่ทุกข์อยู่าภาคนิพพานหรืออยู่ภากสังสารวัฏภากของตายพบภากของการเวียนว่ายตายเกิด การที่เรามาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆนี้ก็เพื่อเป็นการไหวยน้ำข้ามข้ามข้ามแม่น้าแห่งกิเลสตัณหานี่แม่น้าที่เป็นตัวขวางกั้นระหว่างพระนิพพานกับปลายพบก็คือโอคะที่เรียกว่ากิเลสตัณหา เ, เราต้องฟันฝ่าสู้ต่อสู้กับกระแสของความโลภความอยากทั้งหลายให้ได้ความโลภความโกรธความหลง ด้วยการปฏิบัติตามทำขั้นต่างๆทำบุญทําทานรักษาศีลภาวนาด้วยวิรยิยะอุตสาหะความขยันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ปรารถนาะการหลุดพ้นขี้เกียจไม่ได้หยุดการปฏิบัติไม่ได้ต้องทำอยู่ทุกเมื่อต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้ทำบุญอย่างน้อยก็ต้องรักษาศีลศีลก็ต้องรักษาอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ถ้ามีเวลาก็ต้องภาวนานั่งสมาธิมีเวลาก็ต้องเจริญสติมีเวลาก็ต้องไปเปรียกวิเวกทำให้มากขึ้นเพราะเหมือนกับว่ายน้ำให้มากขึ้นนั่นเองยิ่งว่ายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งอยู่ห่างไกลจากภาคของความทุกข์แล้วก็จะเข้าสู่ภาคของความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดัแบบการกระทาเหล่านี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ถ้าไม่สามารถทาแทนพวกเราได้ไม่มี พระพุทธเจ้านี้ทําให้เราไม่ได้ทําทานให้เราไม่ได้รักษาศีลให้เราไม่ได้ภาวนาให้เราไม่ได้คนอื่นก็ทําไม่ได้พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตสายเขาก็ทําให้เราไม่ได้เราก็ทําให้คนอื่นไม่ได้เหมือนกันทุกคนต้องทําด้วยตนของตนเองที่เรียกว่าอัตาหิอาตานโนนาโถเนี่ยตนเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละคือความหมายของของตนเป็นที่พึ่งของตน คือความหมายถึงเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสร้างความสุขทางใจสร้างการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี้ไม่มีใครทําให้ใครได้ทุกคนต้องทําเองทั้งนั้นแล้วก็ทุกคนนี้มีความสามารถเหมือนกันจิตของทุกคนนี้สามารถทำทานได้สามารถรักษาศีลได้สามารถภาวนาได้ไม่ว่าจะมีร่างกายเป็นเพศอะไรก็ตาม จะมีร่างกายเป็นเพศหญิงเป็นเพศชายจะมีเป็นนักบวชแล้วเป็นผู้คลองเรือนเป็นเด็กเลือเป็นผู้ใหญ่ส่วนของร่างกายนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือว่าจิตทุกดวงเหมือนกันจิตทุกดวงสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อพาให้จิตนี้ข้ามฟากจากฟากแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไปสู่ภาคของพระนิพาพานได้เหมือนกันทุกคนอยู่ที่ว่าจะมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่สนใจที่จะศึกษาหรือไม่สนใจที่จะปฏิบัติหรือไม่ถ้ามีความเชื่อก็จะมีความสนใจที่จะศึกษาเมื่อได้ศึกษาก็จะมีความสนใจที่อยากจะปฏิบัติแล้วพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะ ก็จะได้รับผลตา่างๆตามมาตามลําดับอย่างแน่นอนงั้นอย่าปฏิเสธว่าเราเป็นหญิงบ้างเป็นคารวาสบ้างเราปฏิบัติไม่ได้เหมือนพระถึงแม้พวกบางคนมาบวชเป็นพระก็ไม่ได้ปฏิบัติก็มีเยอะแยะไปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระแล้วจะการันตีว่าจะไปนิพพานได้เป็นพระแล้วแต่ถ้าไม่มาปฏิบัติไม่มาทํากิจของพระคือการปฏิบัติ ศีล ส, สมาธิปัญญากลับไปทํากิจอย่างอื่นเช่นกิจเขาเรียกว่าบุญบางสังส่วนถ้ากิจแล้วไปทํากิจเหล่านี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะกิจคือบุญบางสังส่วนนี้ไม่สามารถพาข้ามฝากให้ไปสู่พระนิพพานได้ต้องกิจของสงฆ์ที่เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ ปฏิบัติแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สุปฏิปันโนได้ก็จะได้มรรคผลอย่างแน่นอนดังบทในสังฆคุณที่เราสวดกันว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนการปฏิบัติสี่ลักษณะนี้จะเป็นการปฏิบัติที่จะพาให้เราได้บุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลาย ให้เราได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันสุปฏิบันโดก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติเต็มเต็มร้อยนั่นเองเอาเวลาทั้งหมดที่เรามีนี่ให้กับการปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงก็ปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานนั่นเองไม่ต้องกะปฏิบัติตรงต่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการพระพุทธเจ้าบอกให้ทําทุนทําทางก็ทํารักษาศีลก็ทํา นั่งสมาธิก็นั่งะจะเริยปัญญาก็ทำอย่าเลือกทำบางคนบอกไม่ต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิไม่ได้อึดอัดขอทำปัญญาเลยถ้าเลือกทำก็เลือกรั บ, ร, บรับประกันได้ ว, ว่าไม่ได้เป็นปฏิบัติตรงเรียกว่าเลือกปฏิบัติถ้ามีการเลือกปฏิบัติผลที่จะเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นมาต้องปฏิบัติเต็มตามที่พระเจ้าทรงสอนตรงกับคำสอนทุกประการ เรายายะปฏิปนันโนก็ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เพียงอย่างเดียวไม่ต้องการปฏิบัติเพื่อเอาหน้าเอาตาใครบางคนปฏิบัตินี้เอาหน้าเอาตาถ่ายโลกถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนฝูงไมได้เห็นว่าตอนนี้ฉันได้เข้าวัดฉันได้ปฏิบัติแล้วอันนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นบางคนบวชเอาหน้าเอาตากันบวชเพื่อที่บวชแล้วสามวันก็สึกบางทีบวชเช้าสึกเย็นก็มี แต่ถ่ายภาพเก็บไว้วเราลือกไว้ว่าข้าพเจ้าได้บวชแล้วได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วแต่ได้เพียงวันเดียวถ้าบวชแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ก็จะไม่ได้ผลเช่นกันต้องต้องปฏิบัติไปจนกว่าความทุกข์จะหมดไปจากใจถ้ายังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจจะไม่หยุดการปฏิบัติเรียกว่ายาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคือปฏิบัติอย่างถูกต้องนั่นเองไม่ผิดพลาด ทำทุกอย่างตามตามคำสอนทุกประการถือศีลห้าก็รักษาศีลห้าครบไม่ใช่รักษาเพียงบางข้อบางข้ อ, อยังรักษาไม่ได้ก็ไม่รักษาอย่างนี้ก็เรียกว่ารักษาปฏิบัติไม่ไม่ถูกต้องการปฏิบัติถูกต้องต้องปฏิบัติให้ครบทุกข้อทุกประการที่พระเจ้าทรงบัญญัติไวนะ้ถ้ามีการปฏิบัติเหล่านี้แล้วรับประกรันได้ว่าผลคือมากผลผนิพพานมากสี่ผลสี่ นิพพานหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นคารวะผู้ครองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่หรือเป็นคนหนุ่มอยู่ที่ปะสุปฏิพันโนนี้อยู่ที่การปฏิบัติสี่ลักษณะนี้ท่านหนึ่งถ้ามีการปฏิบัติแบบนี้แล้วผลก็คือการได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตามที่ท่านแสดงว่าบุคคลสี่คู่แปด 8ดคนเนี่ยแบุคคลก็มีคู่แรกก็คือโซดาโซดาปฏิมรกโสดาปฏิผลก่อนจะได้มุกร์ต้องต้องปฏิบัติผลก่อนถึงจะได้มร์ถึงจะได้ผลขึ้นมาพอได้ผลแล้วก็ไปขั้นต่อไปก็จากโสดาผลก็ไปสู่สกิดาคามร์สกิดาคาผลแล้วก็ไปอนาคามีมร์อนาคามีผล แล้วก็ไปอาหาตตะมักอรลาตตะผลเพราะถึงอาหาตตะผลแล้วก็จะไปถึงพวะ น, นิพพานท่านถึงมีเรียกว่ามรสีผลสีนิพพานนที่จะเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้อยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบและนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรา ถ้าพวกเราอยากจะได้กับพบกับความสุขแบบนี้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนคือทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาให้เต็มร้อยให้ได้เมื่อทําทได้เต็มร้อยแล้วผลก็จะเกิดขึ้นอย่างเต็มร้อยอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคขังเอวเมีวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิดเปเมวะสันิจโตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนาราโสยะถา มาณีโชตอาราโสยะธาสัพ so พิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีธีกายุโกภวะอภิวาธนศีลิษะนิจจังวุธาปะจายโนจตารูธรมมวาทานติ อายุวันโสุขังหาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรไม่เข้าใจอย่างอะไรเช่นฟังเทศบาลเมะื่อกี้สงสัยตรงไหนก็ถามได้จะได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นไปตามลำดับถ้าไม่อยากจะถามเองก็ เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาหรือส่งมาทาง Facebook YouTube ได้ส่งข้อความเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานจะเอามาอ่านให้ฟังอยากจะถามอะไรคุยอะไรทําได้ตอนนี้นะแต่พอเลิกแล้วต้องขอยุติเพราะว่าจะมีกิจกรรมอย่างอื่นที่จะต้องทําต่อซึ่งอาจจะไม่สะดวกต่อการถามตอบคําถามเห็นถ้าใครอยากจะถามอะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุด เหมาที่สุดแล้วถามได้เต็มที่ฉะใครอยากจะถามอะไรเชิญถามในช่วงนี้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่วันนี้จาก Facebook 573 YouTube Prasuchat Life 269 YouTube Dr.B 126วิธิย์ออนไลน์8 Clubhouse 19 Pura ฟังหน้ากุติ150 รวมหนึ่งห้าท่านค่ะมีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะ ช่วงแรกแรกที่นั่งสมาธิได้เกิดอาการตกภวังได้พบกับความสงบแบบสั้นๆช่วงต่อมาไม่เกิดการตกภวังสามารถนั่งจนพบความสงบได้นานขึ้นและบางครั้งรู้สึกว่าสามารถบังคับให้จิตสงบได้แต่บางครั้งได้เพียงเกือบสงบถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจะพบความสงบนานขึ้นนานขึ้นใช่ไหมครับขอพระเจ้า ก็อยู่ที่กำลังสติของเราถ้าอยากจะให้มากขึ้นดีขึ้นก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นด้วยเองปฏิบัติเท่าเดิมมันก็จะได้เท่าเดิมถ้าอยากจะให้มันดีขึ้นก็ต้องมันเจริญสติให้มากขึ้นก่อนที่จะมานั่งเพราะตัวสตินี่เป็นตัวที่จะตัดสินว่าเราจะสงบหรือไม่สงบสงบนานหรือไม่สงบนาน ถามต่อเ น, นื่องมาว่าพิจารณามาถูกทางแล้วใช่ไหมคะเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ยให้ทําให้สติให้มากขึ้นคําถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิท่านต่อไปค่ะหากเราได้ทําสมาธิทุกวันแต่ศีลห้าหรือศีลแปยังไม่บริบูรณ์จะให้ทำจะทําให้สมาธิก้าวหน้าหรือไม่ครับมันก็มีส่วนนะแต่ถ้าเรายังทําไม่มากมันก็ไม่ค่อยมี ในส่วนมากอะไรเพราะการกระทำของเราก็ยังไม่มากพอเน่มันก็ค่อยเป็นค่อยไปนะเ <c oughs> บื้องต้นอาก จ, จะทำรักษาศีลสิเปอร์เซ็นภาวนาสิบเอร์เซ็นตแล้วก็เพิ่มเป็นยี่สิบเอร์เซนเพิ่มไปการปฏิบัติมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตามกำลังของของแต่ละขั้นของมันเองจากผู้รับฟังนากุติ พเอเริ่มนั่งสมาธิสักครู่หลัง messages, yours, จากที่กำหนดรู้ลมที่จมูกจะเริ่มมีอาการปวดตึงที่หน้าผากจะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับก็ไม่สนใจมันถ้ามันดูลมไม่ได้ก็เปลี่ยนบางเป็นคำบริกรรมแทนหรือส่วนบทอธีปิษสไปพังๆก่อนแสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยต้านต้านกำลังของสของกิเลสไม่ได้กิเลสเป็นอะไรสร้างอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมา ก็ใช้ถ้าดูลมไม่ได้ <profession. S 1> ก็ใช้คำบริกรรมหรือใช้การสวดอธิปิโศไปหรือจะท่องอาการสามสิบสองของร่างกายไปก็ได้แล้วแต่เราถนัดเราชอบยังไงก็สามารถใช้แทนกันได้คุณแผนแทนพันละดาถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกถึงลมหายใจแม้จะไม่ต่อเนื่องถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่าเรา มาถึงไหนแล้วในการทำสมาธิเจ้ า, าคะก็มาในระดับล้มลุกคลายไงได้บ้างไม่ได้บางเดินได้สองก้าวก็ล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ทำไปสติยังมีกำลังไม่มากพอที่จะอยู่กับลมได้ตลอดเวลา <c oughs> คุณจรัญญาหลวงพ่อบอกว่า คิดออกไปภายนอกมันวุ่นวายเป็นสาเหตุของความทุกข์เมื่อมีความอยากเกิดขึ้นพอรู้ตัวโยมก็ดึงสติกลับมาแต่ว่าเหมือนจะไม่ทันการโยมเลยอยากปักหมุดใจไว้เพื่อไม่ให้หลุดออกไปคิดก็ไม่รู้จะไปปักไว้ที่ไหนธรรมชาติก็พาดึงกลับมาที่ลมหายใจโยมพบว่ามีความสงบมากค่ะใจเย็นเรื่องภายนอก จะเป็นอย่างไรก็ช่างปล่อยไปเพราะพยายามอยู่กับลมหายใจเพราะสุดท้ายลมหายใจจะอยู่เป็นเพื่อนจนถึงเวลาตายโยมยึดลมหายใจเป็นที่พึ่งที่ตั้งสติถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะก็ดูที่ผลถ้าใจเย็นใจสงบก็ก็ใช้ได้ถ้าดูแล้วมันยังไม่สงบก็จะต้องใช้อย่างอื่นแทนใช้คำบริกรรมแทนแต่ถ้าใช้ลมแล้วเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้ ถ้าไม่จิตใจเ ย, ย็นสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายก็ใช้ได้คุณชัยทักษ์ผมนั่งสมาธิแล้วปวดเน็บผมทนไปนานพอสมควรก็ไม่หายปวดผมคิดว่าเราจะทนปวดไปทําไมดินน้ําไฟลมมันก็ไม่เที่ยงมันปวดก็เป็นธรรมดาจะให้หายไปย่อมไม่ได้เลยออกจากสมาธิไปเดินจงกรมก็ได้ก็เลยออกจากการนั่ง ต้องได้ยกขาออกจากกันแต่ก็ยังคงพุโทโธอยู่หายเหน็บแล้วเดินจงกรมต่อผมคิดและทำแบบนี้ผิดทางปฏิบัติไหมครับก็ไม่ถูกตรงที่ว่าเราหนีเวทนาไปถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเราก็ต้องปล่อยให้มันอยู่ปล่อยให้มันหายของมันเองเราต้องสดอยู่กับมันให้ได้ถ้ายังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ก็รู้ว่าเรายังทาข้อสอบนี้ไม่ได้ถ้าเราทาได้ก็คือ เวทนาทางร่างกายจะเจ็บมากเจ็บน้อยเราก็เฉยกับมันได้อันนั้นแหละถือว่าเราผ่านเราไม่รู้สึกทุกข์กับมันถ้ายังขยับยังหนีอยู่นี่แสดงว่ายังยังรับมันไม่ได้อยู่กับมันไม่ได้ คุณสิริแอนไม่ได้ตั้งใจนับถือศีลแปดยังนอนบนฟูกแข็งแต่ตื่นเช้ามาภาวนาในรูปแบบทุกวันไม่หลับนอนกับคู่เพราะเห็นว่าเสียเวลาและน่ารังเกียจมานานนับสิบ ป, ปีไม่กินอาหารเช้าแต่กินมื้อบ่ายมื้อเดียวแบบนี้จัดเป็นศีลแปดไหนเจ้าคะถ้าดูตามตัว อ, อ, กอักษรมันถ้าบันปายมันก็ไม่เป็นศีลแปดถ้าศีลแปก็ยังต้องเที่ยงวันนะแต่ถ้ามันมีเหต เหตุผลเช่นเราทํางานแล้วเราพักกินอาหารตอนเที่ยงวันนี้ก็พอจะนิ่วรวมกันได้แต่ถ้ากลัวว่ามันจะหิวตอนคืนก็เลยรอไปกินช่วงบ่ายสามสี่โมงถ้าอย่างนี้ก็เหมือนก็เป็นเรื่องของกิเลสนะกินตอนไหนก็ได้เหมือนกัน่ะเติมน้ามันตอนไหนเติมให้มันเต็มถังมันก็อยู่ได้เหมือนกันตอนเช้ามันก็อยู่ได้พระเนี่ยพระปฏิบัติเนี่ท่านจะฉันตอนเช้ากันนั้นกลับมาจากบินบัตเสร็จท่านก็ฉันกันเลย นอยากให้พุงกลางเลยไม่มีใครห้ามแต่ถ้าเติมน้ำมันก็เติมให้มันเต็มถังเลยแล้วมันก็จะวิ่งได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนยังถ้าไม่มีเหตุผลจำเป็นจริงๆเช่นต้องทำงานในช่วงพักเที่ยงนี้ก็ต้องต้องกินอาหารช่วงพักเที่ยงอันนี้ก็อนุโลมผ่อนได้เพียงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนแต่ถ้าต้องการที่จะ ไปเดินไปถึงบ่ายหรือเย็นมันอาจจะเป็นปัญหาต่อการภาวนาะร่างกินแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอุปสรรคมันจะง่วงนอนคุณวิรุธการประกอบกเกษตรกรรมของชาวไทยเรานั้นต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ส่งขายให้กับพ่อค้าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เองเราจะบาปมากหรือน้อยไหมครับถ้าเรายังเกี่ยวข้องอยู่ ถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเขาให้เขาทำนี่เราไม่มีส่วนไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่สมควรที่จะทำเพราะเป็นการสนับสนุนเป็นการเชิดหรือให้คนอื่นก็ได้ทำบาปแต่ถ้ามันยังอยู่ในโลกที่มันมันจำเป็นจะต้องเลี้ยงชีพก็ทำไปถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีไม่เปลี่ยนไม่ได้ก็ทนทำไปก่อนเพราะยังจะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรา เราอย่าไปฆ่าเองหรือไปสั่งให้เขาฆ่ากัาาแล้วกันคุณกระตายนั่งสมาธิท่องพุทโธได้สักพักความคิดต่างๆผุดขึ้นกลับมาที่พุทโธใหม่กลับไปกลับมาต่อมาเห็นเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นมาว่าพุทโธอย่างนี้ต้องไม่สนใจตัวหนังสือแล้วกลับมาท่องพุทโธใช่ไหมคะเราอยู่กับคำบริกรรมจะดีกว่า อย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆเวล า, าเราบริการอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวจะผู้รับฟังนาคุติเคยได้ฟังว่าหากเราปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอาจจะพบพระนิพพานไม่เกินเจดวันหรือเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีใช่หรือไม่ครับได้เจ็ดชั่วโมงก็ได้เลยบรรลุในขณะฟังทำอะไรก็ได้ถ้าเรามีมีความสามารถที่จะ รอบทำเข้าไปในใจแล้วทำลายกิเลสได้หมดมันก็บันดูได้บางคนฟังทำหนเดียวก็บรรลุได้เลยนั่นไม่แน่แล้วแต่ละคนอาจจะมีทำสะสมมาในใจมากน้อยต่างกันที่มันช้าเร็วๆก็เพราะว่าของเก่ามีมาน้อยมันก็เลยต้องใช้เวลามากขึ้นน่ะถ้าถ้ามีของเก่าม่อยู่เยอะแนละ้วปั๊บเดียวมันก็ได้เลยคุณอมริน ฟังเทศฟังธรรมที่น่ากุติหลวงพ่อมาหลายครั้งรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมนวลและบางครั้งก็รู้สึกเย็นกายอาการแบบนี้เป็นการคิดไปเองหรือว่าสัมผัสได้จริงครับทั้งที่นั่งห่างจากผู้อื่นครับก็ให้มันรู้ตามความเป็นจริงของเราก็แล้วกันถ้าเราสัมผัสอย่างนี้ก็สัมผัสอย่างนี้แล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นใจลักไปก็แล้วกันมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับมันก็ผ่านไปไม่ต้องไปยึดไปติดไปไ ป, ไปวุ่นวายไปกับมัน <c oughs> คุณจิรารัตเคยเจอปรากฏการแปลกนานมากแล้วขณะนั่งอยู่บนรถเมย์อยู่ๆเกิดอาการว่างไม่อยากได้ไม่อยากเป็นอะไรเลยสงบสบายจำได้ว่าเกิดต่อเนื่องอยู่ราว10ถึงส5หนาทีเป็นของเก่าปรากฏให้รู้ใช่ไหมเจ้า ค, คะ่ะถูกต้องเป็น <c oughs> เป็นสมาธิจิตรวมที่เราอาจจะเคยทำมาแล้วในอดีต พอวันดีคนดีอาจจะมีอะไรไปสะ ก, กิดมันเข้ามันก็เลยโผล่ขึ้นมาได้คุณกระต่ายชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาจะเกิดกับครอบครัวใดทำงานอะไรสุขสบายหรือลำบากมีงานทำหรือตกงานอย่างนี้มาจากชะตาฟ้าลิขิตและมาจากบุญกรรมที่เราทำมาใช่ไหมคะมันก็มีหลายส่วนใกนการอาจจะเกิดจากบุญกรรมที่เราทามาด้วย เกิดจากสภาพแวดล้อมด้วยเกิดจากจังหวะที่เราไปได้ท้องไปอยู่ในท้องไข่ด้วยเหมือนกับรถไปที่สี่แยกไฟแดงแล้วก็ไปเจอรถที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาเราเนี้เราก็ไปกําหนดไม่ได้ว่ามันจะต้องเป็นรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้คนนั้นคนนี้ขับมันก็แล้วแต่ภาวะเพราะเราอยู่ในโลกที่มันมีการเคลื่อนไหวหเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ส่วนของทางโลก ส่วนทางใจเราก็อยู่ที่เรื่องบุญเรื่องบาป ท, ที่เราทํามาถ้าเรามีบุญติดตัวมาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพไหนใจเราจะไม่เดือดร้อนใจเราจะปรับให้อยู่กับสภาพนั้นได้แต่ถ้าเราไม่มีบุญมานี่ใจเราเครียดใจเราจะทุกข์จะดิ้นห้อนมากคุณธีรพัฒนั่งสมาธิไปสักพักแล้วเห็นภาพเหตุการณ์หลายๆภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้จะต้องทําอย่างไรครับก็นั่งผิดเลาวสิอย่าไปเห็นอะไรเลย นั่งให้เห็นลมให้ดูลมเนื้อมันอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวเราต้องการความว่างความนิ่งความสงบเห็นภาพอะไรถ้าเราไปสนใจมันก็ยิ่งจะทำให้เราไปไปคิดไปปรุงแต่งไปรับรู้แล้วมันก็จะทำให้เราไม่สงบในเวลานั้นนี้ไม่ให้สนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นกลิ่นหรือเป็นอะไรก็ตามให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าเราใช้พุโทโธ ให้เฝ้าดูลมไปถ้าเราใช้ลมหายใจอย่าทิ้งลมอย่าทิ้งพุทธโธไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้หมดแล้วเลยครถามา<ร>โอเคอไม่ถามเองเลยไม่ดีกว่าไหมไม่เอาเหรออ่านยากนะจากผู้รับฟังนาคุติค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติได้ถึงขั้นโสดาบันแล้ว หรือเราไม่จําเป็นต้องรู้คะอ๋อถ้าเราไม่ได้ศึกษาตําราะเราอาจจะไม่รู้แต่จะรู้ว่าใจเราเน้นไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นพระโสดาบันนี้จะไม่ทุกข์กับเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายของร่างกายเพราะไม่ได้ไปยึดไปถือว่าเป็นตัวตนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาก็เลยไม่กังวลไม่วิตกไม่หวาดกลัวกับความเป็นความตายของร่างกายอันนี้ก็เป็นโสดาบัน ถ้าเป็นอนาคตมีก็ไม่มีการมาลงเห็นใครก็ไม่เห็นว่าสวยว่าหล่อเห็นว่าเป็นอาการสามสิบสองก็จะไม่มีความคิดที่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใครมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนเราก็จะไม่รู้ว่าคันนี้เขาเรียกว่าอะไรทั้งนั้นเองแต่ถ้าเราเรียนเราก็จะรู้แต่ความจริงรู้ชื่อมันไม่ไม่ไม่ดีเท่ากับรู้ตัวมันรู้ตัวมันก็พอรู้ว่าเราไม่ทุกข์กับมันแล้ว คำถามที่สองนั่งสมาธิเจอสภาวะแต่ละครั้งไม่เหมือนกันบางครั้งนั่งจนถึงลมละเอียดหูดับแต่ตอนนี้กลับไม่เจอสภาวะเดิมแล้วเป็นปกติธรรมดาใช่ไหมคะมันที่สติของเรานะ่ยถ้าสติเราไม่มีพลังไม่มีกําลังไม่ต่อเนื่องมันก็จะไม่ค่อยได้ผลอะไรถ้าวัานไหนสติดีต่อเนื่องมันก็จะได้ผลดีให้เรางพยายมามือนฝึกสติอยู่เรื่อยๆให้เป็นสติที่เสถียบที่มั่นคง แล้วก็ต่อไปการปฏิบัติของเรามันก็จะสะเทียนมันจะเข้ามันจะสงบได้เหมือนกันทุกเวลาคำถามต่อไปนะคะถ้าเรารับรู้เรื่องความโกรธเป็นลำดับขึ้นตามนี้ระดับแรก ความโกรธเกิดขึ้นแล้วแอคชั่นออกมารู้ตัวแต่ดับความโกรธไม่ทันระดับถัดมาความโกรธเกิดขึ้นในใจรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแต่ไม่แอคชั่นออกมาสุดท้ายความโกรธนั้นดับลงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและล่าสุดเจอเหตุการณ์ที่เราเคยโกรธมากๆและเคยแอคชั่นออกมาเมื่อเจออีกครั้งกลับไม่มีความโกรธเกิดขึ้นหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ หมาว่าเรารู้ทันมันแล้วไงรู้ทันว่าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันจะทำให้เราโกรธเราก็เลยซ้อมไว้ก่อนเดินใจเหมือนกับว่าเราเดินไปตรงจุดนี้แล้วไปชนเสาอย่างเงี้ยตอนหน้าเราเดินมาที่จุดเดินเราก็ต้องระวังนะือว่าไอ้เสาต้นนี้ยังอยู่เปล่าถ้าอยู่เราก็จะได้หลบมันได้อันนี้ก็เป็นการใช้สติใช้ปัญญาในระดับหนึ่งกับเหตุการณ์เก่านะ เหตุการณ์ใหม่นี่มันก็ยังอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆถ้าไม่ต้องการให้ความโกรธกับเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นก็อย่าไปหวังอะไรกับเหตุการณ์ต่างๆอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่โกรธอย่าไปอยากให้เ้าดีกับเราชมเราอย่างนี้แล้วเกิดเขาไม่ดีกับเราเขาไม่ชมเราเราก็จะโกรธเขาได้องั้นเราต้องถ้าอยากจะแก้ไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยก็ต้องแก้ที่ความอยากของเราเท่านั้ คุณโซรดาการรักษาสินแปดหากเราต้องดูแลพ่อที่พิการพาพ่ออาบน้ำและดูแลหลานชายสองคนเวลานอนที่พื้นหลานก็ลงมานอนพื้นด้วยการรักษาสิน8ปดข้อาเราขาดไปไหมเจ้าคะไม่ข oh าดแล้วสินแปจะขาดต่อเมื่อเราไม่ร่วมหลับนอนเขานะเพียงแต่ว่าที่เขาห้ามไม่ให้ใกล้ชิดกันสองต่อสองหรือแตะเนื้อตั้มตัวกันเขากลัวเดี๋ยวไฟมันจะลุกค่ะ ดังนั้นเหมือ น, น้ำมันกับไฟเขาไม่ให้เก็บไว้ที่ใกล้กันเพราะเดี๋ยวเกิดมันผิดพลาดมันไปกระทบไปเจอกันเข้าไฟมันจะลุกได้เนี่เวลาหญิงกับชายนี้เวลาอยู่สองต่สองมันมันจะทำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นได้ง่ายหรือถ้าเกิดไปจับเนื้อต้องตัวกันใช้ น, น้ำให้กันอย่างนี้มันก็อาจจะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ ทางที่ดีก็ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีพยานอยู่ด้วยกันหลายๆคนจะดีกว่าจะได้ไม่มันพอมีสัตว์ขีพยานมันไม่ไปอยู่ที่รับสองต่อสองความอยากมันก็ไม่กล้าโผล่มาคุณสี่สองสองสี่ผมบอกกับตัวเองว่าจะไม่มีเมีย คือหนึ่งนั่งสมาธิมีสาวสวยแต่งตัวดีเครื่องประดับเต็มตัวมาขอเป็นแฟนและพร้อมที่จะรักดูแลผมเป็นอย่างดีผมเลยบอกไปว่ากลับไปเถอะผมไม่อยากเป็นหนี้ใครแล้วแล้วเขาก็จากไปนี่คือมายาใช่ไหมครับก็เป็นความคิดปรงแต่งจิตเราเท่านั้นเองก็เป็นความคิดที่ดีว่าเราเห็นโทษของการมีคู่เรา ขอให้มันเป็นจริง น, นเวลาเจอของจริงเข้ามาจะทำได้หรือเปล่าคุณตวงพรขณะปฏิบัติกำหนดพุโทโธไปได้สักระยะหนึ่งมีความสงบนิ่งมีความสุข ทำให้อยากจะอยู่กับความสุขนั้นไปเรื่อยๆแบบนี้เรียกประติดสุขใช่ไหมคะวิธีแก้ที่ทําอยู่คือกลับมาพุโทโธพุโทโธใหม่ทําแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะถ้าได้ความสุขแล้วติดสุขแบบได้ไม่เสียหายอะไรมันเป็นสวรรค์มันเป็นมันเป็นคุณประโยชน์กับใจติดสุขแบบนี้ได้อยู่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลับไปหาพุโทโธถ้าจิตเป็นสงบแล้วมันมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องใช้พุโทโธ เพราะพุโทโก็จะพามันกลับไปที่ที่ความสงบนั้นอยู่ดีไม่ต้องกังวลขอให้มันติดเถอะมันขอให้มันมีให้ติดเถอะกลัวมันจะไม่มีเลยเ <c oughs> ชิญทานกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมศึกษาสมาธปิปฏิบัติมาได้ประมาณสามปีอ่บังเอิญพ่อแม่ครูบาอาจารย์พึ่งละสังขารไปเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมา ทีนี้ผมมีคำถามในเรื่องระยะเวลาของการนั่งสมาธิครับที่พ่อแม่ครูอาจารย์ผมบอกมาเนี่ยพยายามอย่าให้เกิน30สนาทีเพราะว่าถ้าเลยส0สินาทีไปอาจจะทำให้สูญเสียพลังไปพลังจิตไปทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าระหว่างการทำสมาธิในสมถะเนี่ยระหว่างครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือมันจะต่างกันยังไงครับผม คือเวลานี้มันถ้าปฏิบัติยิ่งมากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีงดเพราะเป็นการสร้างความสงบให้กับใจครับผมอไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียหายการนั่งสมาธิได้นานเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีนั่งได้สองชั่วโมงสาชั่วโมงนั่งไปเถิดไม่ต้องกลัวเป็นการชาร์จพลังให้กับใจไม่ได้เป็นการทำลายจิตใจใดๆ อ, อ, อยู่ที่ว่าเรานั่งได้เท่าไหร่นั่นเอง จะนั่งได้นานไม่นานสงบไม่สงบก็อยู่ที่สติของเราครับถ้าอยากจะนั่งได้นานสงบได้นานต้องมันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆพุโทโธอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งครับผมหมดได้ยัง ค, คุณบรรณสรเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกชาไปทั้งตัวความรู้สึกชานี้คือรู้ตัวทั่วพร้อมหรือเปล่าครับ อะไรนั่มาใหมนั่งสมาธิได้ไหมเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกชาไปทั้งตัวความรู้สึกชานี้คือเรารู้ตัวทั่วพร้อมหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ละมันเป็นเวทนาทางกายความ ร, รู้สึกทางกายการรับรู้ก็คือจิตเป็นผู้รับรู้เท่านั้นเองหมดแล้วนะโอเคมีใครอยากจะถามมีไห